ท่านพักบำเพ็ญอยู่ในป่าแห่งหนึ่งคราวนั้นมีพระไปด้วยสององค์ในป่านั้นท่านทราบทีหลังว่ามีชาวบ้านนําผู้หญิงที่ตายผิด ธ, ธรรมดาสามัญที่ชาวบ้านเรียกว่าตายโหงมาฝังเว้แถวบริเวณที่ท่านพักอยู่หญิงที่ตายนั้นมีเด็กอยู่ในคันเป็นพวกชาวป่าอนามัยในการคลอดจึงไม่สมบูรณ์ล่อยกันให้ตายทิ้งอย่างน่าทุเรศสงสารตามที่เขาเล่าถวายท่าน เวลาเข้าภาวนาผีของหญิงนั้นมากวนแทบทุกคืนท่านว่าคนกับผีมีนิสัยคล้ายคลึงกันในความรู้สึกทางราคะตัณหาที่มีในใจสัตว์โลกขออภัยเขียนไว้เพื่อพิจารณาหามูลความจริงตามเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านที่เห็นได้ชัดเจนก็เวลาท่านพักภาวนาอยู่ในป่านั้นกับพระสอ ง, องค์ พอตกกลางคืนเวลาเข้าที่ภาวนาจะเห็นหญิงตายโหงคนนั้นเข้ามาหาและแสดงเลขกลมมารยาแห่งราคาตันหาแก่ท่านเสมอแต่อำนาจจิต ท, ท่านแรงกว่าผีจึงไม่สามารถทําอะไรท่านได้สำเร็จบางครั้งผีตายโหงแสดงอาการรุนแรงแก่ท่านผิดธรรมดาถึงจะเข้ามาทำการข่มคืนท่านให้เป็นไปตามใจของตนแต่ก็ไม่มีทางทาได้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 ผีรายนี้ท่านว่าร้ายมากเมื่อทำอะไรท่านไม่สำเร็จก็ไปกวนพระสององค์ด้วยการข่มขืนท่านขณะนอนหลับถึงกับพระต้องตะโกนขึ้นทั้งหลับจนท่านเองได้ยินชัดถ้อยชัดคำว่าก็โยมเป็นผู้หญิงส่วนอัตมาเป็นพระจะให้ทำแบบค า, ารวะได้อย่างไรไม่เอารีบออกไปเดี๋ยวตกนรกยิ่งกรรมหนักกว่านี้เข้าอีกท่านอาจารย์ช่วยด้วย ผีผู้หญิงกำลั ง, งค่มขืนกระผมอยู่เวลานี้รีบมาเร็วช่วยกระผมด้วยท่านอาจารย์มาเร็วดังนี้เสียงตะโกนเรียกท่านทั้งที่หลับเหมือนเสียงคนตะโกนเรียกกันเราดีๆนี่เองท่านอาจารย์เองซึ่งกำลังออกจากที่ภาวนาหลังจากรบกันกับผีผู้หญิงเพิ่งผ่านไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงแปลกอย่างชัดถ้อยชัดคา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 ก็ถูกกวนเวลานอนหลับแทบทุกคืนท่านว่าสำคัญที่โรคบ้าพันนี้ไม่ยอมรับส่วนกุศลผลเมตตาอะไรทั้งสิน้นนอกจากสิ่งที่มันต้องการอันเป็นโรคบ้าไม่รู้จักอายนั้นเท่านั้นจึงทำให้คิดออกเป็นนอกลู่นอกทางว่าไม่ว่าโลกใดก็ตามถ้าโรคบ้าโรคหน้าด้านนี้ได้เข้าสิ่งแล้วโลกนั้นจะต้องเป็นทานองเดียวกับผู้หญิงผีคนนั้น มาเป็นกับพระนั่นแหลผู้เขียนเรียนถามว่าที่ว่าผีหญิงมาทําท่าจะทําไม่ดีไม่งามนั้นเขาทําอย่างไรท่านตอบแบบคนโมโหให้ผียังไม่หายว่าจะให้อธิบายให้ฟังอย่างเปิดเผยเรือเกยหาดอย่างไรอีกเพียงฟังกันเท่าที่เล่ามาเนี่ยก็อยากเอาหัวมุดดินอยู่แล้วจะให้พูดชัดยิ่งกว่าคนแก้ผ้าพูดนั้นผมพูดไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผีตัวหน้าด้านคนนั้น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 ท่านว่าก็ท่านไม่ได้บอกว่าท่านทราบหรือไม่ทราบเห็นแต่ท่านตะโกนลั่นตอนกลางคืนดึกๆจนเราทนอยู่ไม่ได้ต้องรีบไปปลุกเวลาตื่นขึ้นมาถามได้ความว่าผีมาปลุกปล้ำขมขืนเรื่องก็เท่านั้นผู้เขียนถามว่าท่านอาจารย์พักอยู่ที่นั้นนานเท่าไหร่ท่านพักอยู่หลายเดือนแต่เหตุที่จะได้จากที่นั่นไป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 หรือเป็นเทวบุตรเทวธิดามันเป็นนายเสียทั้งนั้นไม่เคยยอมเป็นบอยใครอย่างง่ายๆเลยจึงไม่ได้นิยมว่าเป็นใครที่มันจะเป็นนายและบังคับไม่ได้มันบังคับได้ทั้งนั้นฉะนั้นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามจึงมีทางเป็นไปได้ด้วยกันแต่ที่ผมพูดนี้ก็พูดตามเรื่องที่ปรากฏต่างหากมิได้ตั้งใจตาหนิว่าผู้หญิงไม่ดี ถ้าผู้ชายไม่ดีหรือไปปรากฏแก่หญิงหรือแก่นักภาวนาหญิงเข้าบ้างเขาก็จำต้องพูดทํานองเดียวกันใครจะว่าเราหรือเขาพูดเป็นเชิงตาหนิติเตียนวิญญาณหญิงหรือวิญญาณชายก็สุดแต่ผู้คิดซึ่งห้ามไม่ได้อนุราคาตัญหานี้เราไม่ควรไปสนใจกับพวกเปรตผีหรืออะไรให้เสียเวลาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้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 และต่างคนต่างมีต่างคนต่างอวดโลกจึงร้อนขึ้นทุกวันเราไม่มีอะไรเป็นความดีความชอบจากการอวดเจ้าตัวนี้ปกติมันก็เป็นเหมือนวัตถุเครื่องทําลายสังหารอยู่แล้วเมื่อใครคิดสนุกขนองไปยกยอมันขึ้นว่าดีและนาออกอวดโลกที่ต่างคนต่างมีมันต้องแผลงฤทธิ์ให้โลกแตกทลายได้โดยไม่สงสัยลองดูสิ ถ้าไม่เชื่อว่าเป็นความจริงต้องเห็นฤทธิเดชของมันประจักษ์แน่นอนไม่ต้องพูดมากไปและกว้างขวางเพียงสิ่งนี้มีอยู่ในหัวใจของใครมากน้อยก็แสดงออกให้เห็นความไม่ดีจนได้อยู่แล้วจาเป็นอะไรที่จะส่งเสริมให้มันเจริญเติบโตมีอำนาจมากยิ่งกว่าภูผาป่าไม้ที่จะทำลายตัวเองและโลกให้ชิบหายเลาฉนั้นปราดท่านจึงสอนใหระวังแล้วระ ง, งับดับมัน อย่างน้อยก็พอมีความสงบเย็นใจในกลุ่มหนึ่งหนึ่งพอมีทางหายใจได้บ้างหากท่านถามผมก็พูดให้ฟังตามเรื่องอย่าหาว่าผมตำหนิติเตียนใครแม้ตัวผมเองก็เคยกับเจ้าตัวยุยแย่ก่อกวนนี้มาพอแล้วจนไม่สงสัยว่าเจ้าตัวนี้จะพาเราไปสวยสุขมหาสาลที่ไหนอีกนอกจากมันกระซิบกระซาบ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 พวกผีพวกเทพมีมารยาทางราคะตัณหามากเช่นมนุษย์เรานี่เองแต่ไม่ได้มีทุกรายไปผู้เด่นจนแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนก็มีเช่นมนุษย์ผู้หนักในทางนี้บางทีเทพยังแสดงมารยาและจับเอาท่านทั้งเป็นก็มีโดยบอกว่ารักท่านมากท่านต้องชี้แจงให้เขาฟังจนเป็นที่เข้าใจและเขาก็หยุดไม่ทำต่อไป แต่ก็พอจับมาเป็นข้อคิดได้นึกว่าคนละภพละภูมิจะไม่มีความรักใครใหใ่ดีต่อกันในทางอารมณ์ได้แต่ก็ยังแสดงให้เห็นได้ว่าราคะตัญหานั้นไม่เลือกหน้าครบได้ทั้งนั้นตามแต่โอกาสและกรณีขณะนั้นกายหยาบเราไม่ปรากฏในความรู้สึกคงจะเป็นกายทิพย์ในความรู้ความเห็นและความรู้สึกของเทพก็เป็นได้ จึงทำให้เกิดอะไรขึ้นในใจเทวดาถึงกับแสดงความรักออกมาอย่างเปิดเผยไม่กระดากอายยิ่งกว่ามนุษย์ผู้ดีมีความละอายประจำนิสัยอีกเรื่องในทํานองนี้ในวงปฏิบัติมักปรากฏเสมอแต่ท่านไม่ยอมเล่าให้ใครฟังง่ายๆนอกจากพวกเดียวกันรู้นิสัยกันดีไว้ใจกันได้หรือรู้ในทางเดียวกันท่านจึงพูด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 ส่วนใจมีความเข้มแข็งและผ่องใสเทวดาเห็นแล้วเกิดความสงสารท่านอยากจะให้ท่านมีกำลังทางกายจึงขออนุญาตปฏิบัติรักษาท่านด้วยอาหารทิพย์อาหารทิพย์ในความรู้สึกของพระนั้นขณะมองเห็นในมือของเทวดาที่ถือมานั้นเป็นเหมือนดินสอพองสีขาวจางๆไม่ขาวจริงดังผ้าขาว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 พระท่านไม่อาจอนุญาตกลัวเป็นอาบัติเพราะตะวันก็บ่ายแล้วเทวดาก็เป็นเพศหญิงและมาเพียงคนเดียวเพื่อบัรดนมีใครมาเห็นเข้าอย่างน้อยก็ตําหนิแม้ไม่มีความเสียหายในทางพระวินยัยมากกว่านั้นเขาอาจเข้าใจว่าเป็นความจริงและตําหนิติเตียนแบบโลกโลกว่าพระกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันสองต่อสองในถ้ำในเขาเปลือย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 ไม่เพียงจะนาอาหารทิพมาถู ก, กายเลยเทวดาจึงขอยืนยันตัวเองต่อท่านว่าจะไม่ทําอะไรให้ท่านเสียหายเพราะการมาเกี่ยวข้องของเทวดาแม้แต่น้อยเราะ ก, กายเทวดาก็เป็นกายทิพอาหารที่นํามาบํารุงก็เป็นอาหารทิพไม่มีส่วนใดที่จะกระเทือนถึงพระวินัยและองค์ท่านให้เสียไปที่มองเห็นนี้ก็ใจทิพมองเห็นกายทิพและใจทิพ มองเห็นอาหารทิพี่ฟังการสนทนากันอยู่เวลานี้ก็เป็นหูทิพตฟังเสียงทิพมิได้เกี่ยวกับกายหยาบตาเนื้อหูหนังแต่อย่างใดพอจะขัดข้องแก่ท่านและวินัยเลยการมาของเทวดาก็เพื่ออุปถากภ์บำรุงหวังบุญหวังกุศลกับท่านผู้มีความหนักแน่นและมุ่งมั่นต่อธรรมะอย่างยิ่งมิได้มาเพื่อทำลายท่านและพระศาสนาให้เสียหาย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 อาตมาหลับตาลงก็มองเห็นเทวดาลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นเทวดาเพื่อคนอื่นเขามีตามิใช่ตาบอดมาเห็นเราสองคนเข้าที่น่งอยู่ด้วยกันเวลานี้จะว่าอย่างไรจะเป็นความงามตามจารีตของผู้หญิงซึ่งอยู่ด้วยกันสองต่อสองไม่ละ่ะขอจงคิดให้ดีก่อนจะทำอะไรลงไปเทวดาตอบท่านว่าที่เห็นนี้เป็นใจท่านและตาท่านผู้มีธรรม คือมีสมาธิมีญาณสามารถมองเห็นได้อย่างถนัดชัดเจนแม้ตาเนื้อท่านมองเห็นก็เป็นมาจากญาณภายในสนับสนุนจึงทำให้เห็นได้ราวกับตาเนื้อมองเห็นจริงๆความจริงก็คือตาในท่านตังหากทำให้ตาเนื้อมองเห็นไปด้วยถ้าท่านไม่มีญาณภายในเป็นพื้นฐานอยู่แล้วท่านจะไม่สามารถมองเห็นกายทิพย์ของเทวดาได้เลย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 ท่านจึงควรเห็นใจและเมตตาอนุเคราะห์ให้ทําในสิ่งที่ควรทําได้สิ่งใดที่ผิดวิสัยของสมณะเทวดาจะไม่หานทําเพราะดีและชั่วก็ออกจากกรรมคือการกระทําของตัวเองเทวดาเข้าใจและเคารพไม่ฝ่าฝืนแต่สิ่งที่อารัธนาวิงวอนขอความเมตตาอนุเคราะห์อยู่เวลานี้เป็นเรื่องของธรรมารุนรุน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 แต่ที่ท่านพูดกับเทวดาว่าเทวดามานั่งอยู่กับอัตมาอัตมาหลับตาก็มองเห็นเทวดาลืมตาก็เห็นเทวดานั้นเป็นการสถานที่และอิริยาบถ ท, ทั่วๆไปที่ท่านพอรู้ได้เห็นได้ตามวิสัยฉะนั้นที่เทวดาอ้างเหตุผลเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านจึงน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ควรทําได้เพราะเป็นเรื่องของใจล้วน ที่ในสมาธิภาวนาแต่ที่พระท่านถามเทวดายอกย้อนไปมาก็เป็นการแสดงออกทางสมาธิโดยธรรมมิได้เกี่ยวกับจะเป็นอาบัตเพราะความฝ่าฝืนพระวินัยด้วยกิริยาที่ทำโดยทางสมาธิสมาบัติขณะท่านทำสมาธิของบ่ายวันนั้นปรากฏว่าเทวดาเอาอาหารทิพย์มาถูร่างกายท่านจริงๆ กายที่เทวดามาถูก็เป็นกายในสมาธิมิได้เป็นกายธรรมดาความรู้สึกทางสมาธิขณะเทวดานำอาหารทิพมาถูกกายปรากฏว่าเบามากผิดธรรมดาเมื่อออกจากสมาธิแล้วร่างกายรู้สึกเบาวิวและมีกําลังผิดปกติเรากับได้ฉันจังหันในวันนั้นท่านองค์นี้ว่าเวลาปกติในบางวัน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 ไม่สนใจต่อยาเอาเลยนอกจากจะพยายามแพร่เชื้อให้ระบาดลุกลามออกไปก่อความเสียหายแก่ผู้อื่นที่ไม่รู้ไม่เข้าใจวิธีการวิธีกล น, นี้เท่านั้นจึงเป็นโรคชนิดที่น่าระวังอยู่มากผู้เขียนมิใช่นักรู้นักเห็นเทวบุตรเทวธิดาเปรตผีอะไรเลยก็ตามแต่ถ้ามีผู้มาคุยเรื่องทำนองนี้ให้ฟังแบบเรือรังลุกลามไม่มีพวงมาลัยและเบรกกากับอยู่บ้าง ก็ขยาดครั่นคร้าเหมือนกันเพราะปะกติเราก็อาจมีโรคพันนี้ติดนิสัยสันดาลอยู่แล้วพอได้เชื้อเพิ่มเข้าไปก็กลัวทางโรงพยาบาลของโรคชนิดนี้ไม่ยอมรับเข้าเป็นคนไข้ยิ่งจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่เพื่อการโรคนี้ยังได้ผลคือขอให้ผู้เป็นอาจารย์เป็นผู้เข้าใจในทางนี้และทางสมาธิปัญญาอื่นๆมาด้วยดีเถิด เพียงผู้ใดก็ตามมาพูดยับเรื่องธํานองนี้ขึ้นต้องรู้ทันทีว่าเป็นความจริงหรือปลอมและสามารถชี้แจงแก้ไขได้ทันทีถ้าผู้นั้นสนใจฟังเพื่ออัตตะเพื่อธรรมะจริงๆก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามท่านไม่มีทางเสียหายที่น่ากลัวก็คือเมื่ออะไรผ่านเข้ามาก็คว้าเอามาเป็นสมบัติและเป็นของจริงเสียสิน้น โดยไม่คำนึงว่าผิดหรือถูก ป, ประการใดบ้างของจริงประเภทนี้จึงมีทางก่อความกระเทือนและเสียหายแก่ตนและผู้อื่นได้อย่างไม่มีขอบเขตเพราะเป็นของจริงที่น่ากลัวอย่างยิ่งสําหรับท่านที่เคยผ่านมาแล้วนักภาวนาจึงควรระวังด้วยสติปัญญาด้วยดีอย่าให้ของจริงประเภทนี้เกิดขึ้นได้จัดว่าเป็นผู้รู้รอบครอบต่อการดําเนิน เป็นสิริมงคลแก่ตนและวงพระศาสนา